แบงค์คอฟวิทยุฟอร์เมนโดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋าลาสินอืมต้องอ้าวตอนนี้หลายคนตอนนี้มีคนสวด 31 กรกฎาคมปี 2554 นะครับจะบอกว่าตอนนี้เรามีแขกรับเชิญ 1 คนไม่ใช่ปิ๊นกายารงค์เป็นผู้หญิงนะนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่ใช่เป็นอยู่นะครับแต่ก็อ่าเออมาเมา เอ่อคุณอะไรครับก่อนอื่นต้องแนะนําตัวก่อนนะใช่ นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเอ่อเทปพิเศษพิเศษอันนึงอ่ะนะครับที่เราเคยพูดกันมาบ่อยอยู่เนาะว่าเราอยากจะมีอะไรที่แตก ที่เราไม่สามารถอันดับแรกก็คง ไม่ไม่นะจริงๆเค้าคือคืองานเขียนอีกอย่าง Facebook ใช่มั้ยในกระดาษในๆก็ ตอบข้อความทาง Facebook หรือว่าเขียนบล็อกอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นพอเขียน เดนโหลดอย่างเดียวโหลดโหลดยิงยิงขึ้นใหญ่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันก่อนดีกว่านะครับคุยกันมาอยู่ได้สักพักเรื่องเรายังไม่รู้เลยชื่อเสียงเรียงนามเออได้ชื่อเสียงเรียงนามนี้มาจากไหนคุณชานะล้านนา ชนาเข้าไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งนะคะๆคน อ่าทางบ้านไม่รู้แล 80 แล้วก็เลยคืออาจจะไม่ใช่ แปลงตัวเองมาเป็นอีกคนหนึ่งจะได้ไหมแล้วทุกวันนี้ก็มั่นใจว่าทําได้แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่ที่เข้าใจแล้ว คือแบบว่าไม่คือตัวเราอ่ะเราไม่ ที่ Cable ทีวีซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าทางบ้านคงจะไม่ได้ดูทีวีของเคเบิลทีวีซึ่งตอนนั้นเข้าใจ จริงเหรอคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ไม่ได้กินหญ้านะโอ้เป็นตัวตนคือแบบพูดสบายๆเป็นสิงห์ผู้คนครับมีพี่ 3 คนแล้วก็ชนาเป็นคนสุด 3 คนพี่คุณ ทำงานนอกบ้านก็ ก็ทําแต่ว่าจะออกไปธุรกิจข้างนอกบ้างติดต่อนั่นติดต่อนี่เคยเป็นนายหน้า เป็นผู้ใหญ่จริงๆผู้ใหญ่จริงๆความสัมพันธ์ก็คือรักแต่ว่าแล้วล่ะเพราะอะไรรู้มะคือพ่อคนนะ อ่าถัดกันคืออายุห่างกันแค่ปีเดียวก็ บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนได้แต่ก็คือบางครั้งห้ามอะไรมันห้ามได้แต่ห้ามใจทําแบบครูครูบอกนี่เลยเหรอ คือมีพฤติกรรมที่แบบจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยเอ่อยังไงพยายามกลับตัว ประยุทธ์นิดนิสอาประมาณอ๋อไม่ได้บอกว่านะ ใช่มั้ยอ๋อจริงๆพอดูดูผู้ชายผู้ชายยิ่งหวากวันๆ ตอนนั้นตอนที่มาเรียนก็คือคนละเรื่องเลยนะครับ 13 ปี 14-15 ปีเพราะ จบที่เชียงรายปุ๊บก็มาตรงมาเรียนที่รามไม่เห็นทานๆแล้วคือ ว่าชั้นตอนนั้นมัน 4 ตลอดแล้วพอมาเรียน ม. ต้นก็หมอปลายนี่คือต้องมาทํางานด้วยเรียนด้วยเหมือน 13 ปีใช่มั้ยครับที่ตอนนั้นเรากําลังเอ่อกําลังหัวเลี้ยวหัวต่อว่าเราจะรหัส 37 ตอนนั้นเรารู้ๆคือแต่ ชอบค่ะไปแล้วล่ะคงละครไม่แอบเล่นอยู่ 12 อะไรประมาณแบบเวลาวันเด็กมากนานๆทีจะ 12 ก็ 12 นางที่เท่า เกเรเป็นเอ่อสโนไวท์โวยหน้ายิ้มทุสีไทยฮาวทําทําไอ้หมวกอย่างงี้ด้วยนะแบบ ที่รามมีแสดงแสดงอะไรที่ก็คือจบรามแล้ว ใช่วิทยาเปลี่ยนไปเออเห็นใช่ใช่คุณโชโกรานะคุณโชโกรานะครับตอบ MSN ก็คงจะช้าหน่อยเป็นคุณหนูไปเป็นมาขอ บรรดา 3 ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถูกระหุกสีมากทีมงานเราเราเค้าหายไม่รู้น้ําพัด สะยองจริงๆเมื่อกี้ต้องหามาพอดีขับ F นําเลย F เพื่อนตก จริงๆเค้าจุดพลุจุดพลุที่ผ่านคือเค้าจุดพลุเราก็ไปเที่ยวพอปุ๊บระบัดเสียงดังตึ้มตำจนเรา ตอนนั้นอยู่อยู่บนรถแท็กซี่อยู่ที่ในรถ Princess ของ Thailand เสด็จมาก็ใช่เออเราก็ๆไม่รู้แตก เออจะไปทางศรีนครินทร์อ่ะ 2 เนาะยาวดูจะยาวเพราะตอนนี้ไม่ไม่ต้องเออเริ่ม เริ่มเขียนคือทำไม อ่าC uh huh. เขียนเอ่อเธอเขียนเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวเราอ่านปุ๊บเรามีความคิดในใจๆโดนๆคําคมจะ ชื่อหนังสือจริงๆจําไม่ได้แต่ว่าจําชื่อจําไม่ได้แต่ว่าคือไดอารี่ๆโดนๆๆโดน ปัญหามีไว้เพื่อแก้ไขหรือว่าอุปสรรคมีไว้พุ่งชน มาเรียนที่กรุงเทพฯมาเรียนที่ 4,000 ก็เริ่มจดไดอารี่ตั้งแต่ตอนนั้น เราต้องจดว่าอะไรอย่างเงี้ยคือภาพอยู่ในตู้ในครอสเซทอยู่ เอ่อคือโอเคเป็นปิสณนาปิสณนาเก่งกลางจุดๆๆคุณคุณชานะอ๋อเป็น กรุงเทพฯเนาะตั้งแต่เด็กๆเลยอ๋อไม่ใช่มามามาเรียนทั้ง 2 ปีที่แล้วที่ รู้ว่าเป็นเป็นเป็นแบบสาวบ้างไม่สาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามสภาพนะครับใช่ตามสภาพคือจะว่าเป็นจริง อ่าคือปกติไม่แต่งก็เป็น แบบไม่คะเขินเข้าห้องน้ําผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ Walk of the Fame ก็แต่งเป็นดารา Lady Gaga แต่งเป็น Beyoncé คือ พอพอจบ รู้สึกมันจะเยอะเหลือเกินจน 1 ภาคงอภาคกอภาคอะไรประมาณนั้นก็เลยสอบไปเคยไปลงทะเบียนสอบเหมือนกัน คือทําด้วย ภาษาเข้าชมรมภาษาอังกฤษก็เรียนได้ประสบการณ์จากการทํา Hotel โอ้ JW JW เอ่อ ไปเปิดเลย 2 วันและก็ได้อยู่ 2 วันใช่ 2 วันคือจะได้ 2 วันแบบตามมาโพลิซีๆอ๋ออ่า อ่ารุ่นบุกเบิก 2 วันใช่ที่ 2 วันที่หยุด 2 วันนะครับเออสมมุติว่าๆกลับ อ่าหนังสือที่เขียนนี้เป็นเกี่ยวกับชาวเราโดยเฉพาะแล้วก็หน้าปกก็เป็นหน้าปกชาวนาเพื่อน คือแสดงว่าต้องเขียนเขียนเขียนใช่ๆพอดีตอนนั้นพี่ที่ติด 3 ปีไม่ได้ อ๋อมีชื่อนำก่อนจะเป็นเป็นชื่อจริงชื่อนามสกุลจริงใช่ชื่อจริงชื่อจริงนาม ไม่ต้องก่อนจะออกเล่มผู้ เอ่อแมกกาซีนเอ่อเล่ม 1 ชื่อดังเค้าเอาไปก็เลยตื่นเต้นดีใจก็เลยไปติดต่อของสํานักพิมพ์หลายๆสํานักพิมพ์ไม่ต้องเขียนต่อไปก่อนเขียนเขียนไปอีกเขียนจริงๆแล้วตัวนี้เค้าขอ Coming Out เดคอสเซตนี่คือเป็นชื่อหนังสือหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นใช่เมาส์แตกชาวเรานี่คือเป็นภาษาชื่อหนังสือ เยอะเป็น 10 เป็น 10 หรือ 20 อะไรอย่างนั้นเลยหรือว่าอะไรใดๆก็ true story ของเรื่องของคนนั้นคนชื่อกนาม จำได้มากที่สุดๆคนๆเกี่ยวกับชีวิตในวงครับภัยเตือนภัยยังไงอะไรประมาณนั้นเราจําได้เรื่องวันนั้น เอ่อเรื่องที่เขียนตอนนั้นเป็นประสบการณ์ต่างแดนที่ยกขึ้นมาก็คือนัดกับผู้ชายก็เข้าใจว่าโดยการที่แบบเช็คโปรไฟล์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมั่น ตอนนั้นเราก็เอากล้องไปด้วยเอามือถือไปด้วยอะไรไป อ่ากลัวไม่ไม่ตอนแรกก็คือแบบเป็นไปได้มั้ยคือแบบกล้องชั้นหมายถึงคือแบบไม่ได้เสียดายกล้องแต่ๆมันคือชีวิตของชั้นทั้งหมดฉันยังไม่ได้โหลดเลยทั้งครอบครัวทั้ง อ๋อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ๆต้องต้องถามไงพี่เพราะว่าคนที่ประเทศ ความมั่นก็เลยสุดท้ายเค้าก็เอากล้องเอาซิมโยนขึ้นมาเอาเอาเอาซิมโยนมาให้เราโยนโยนไปที่มันคือเหตุเกิดเนี่ยคือๆครั้งคนที่เขียนต้องบอกว่าเยอะ นับ 100 ละกันๆแสดงว่าเจ้านี่อร่อยหุ่นก็ 1 ก็ไม่คิดว่าจะประมาณ 20 กว่าวันเดือน 1 ประมาณนั้นโอ้โหแล้วเรา เอ่อเราแบบมีความดีๆกับเขาเขาที่แบบแล้วเขาเทคแคร์เราดีไปเออออกมาข้าง ถ้าโจรไม่เออโจรน่ะไปไม่ได้หรอกเยอะอีจะเรียกโจรเยอะเยอะใช่แต่ว่าประเทศนี้เนี่ยบังเอิญว่าใช่นักท่องเที่ยว ตกประมาณงัดไปเลยเอาของไป Daily Warning for Purple Chicks สําหรับคนที่อ่าต้อง ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกเราเสียมากกว่าเสียมากเรามีให้ ชายอ๋อเวิร์คเซตแล้วใช่เวิร์คครั้งเดียวด้วยเป็นการไปเจอครั้งที่ 2 ด้วยเขาเป็นฝ่ายรับหรือรุกออกเขาอย่านะครับเดี๋ยว เครื่องเครื่องเริ่มสติดแล้วเริ่มเริ่มสบายอีกแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องประเด็นเยอะแยะมากมายนะครับไปนําจิ้มนําจิ้มให้แม่ช้อย Bangkok Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่ เปรตที่ 2 ตื่นเต้นมากเมื่อกี้นี้ขางเลยต้องเรียกว่ามีคุณคุณเอพักขนองอยู่คุย MSN แล้วแล้วก็น้องหลิน 90 ก็ จะคุยประเด็นหรือฝากประเด็นหรือมีคําถาม 02 338 3589-90 นะครับเดี๋ยวประกาศ nationradio.co.th นะ อาทิตย์นะครับ 3:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับหรือจะฟังย้อนหลังได้ที่ ใช่นะครับเราด้วยซึ่งซึ่งเขียนหนังสือด้วยนะครับ 3 เล่ม 2 เล่มนะครับหนังสือของคุณชาญก็อีกทีนึงชวนิชชวนิชเจ้าของปลายปากกาหนังสือและเล่ม 2 คือๆจะดอกเดี๋ยวคุยคุยคุยเรื่องเล่ม 2 อันนี้ 2 นี้หนังสือ 2 ก็ นี่คือเริ่มรู้จักพี่ๆเพื่อนๆในวงการมากขึ้นก็จะเป็นเอ่อบางครั้งชีวิตของคนเราก็ท้อพี่เดฟรีแมนพี่โจแองแล้วก็คุณกอล์ฟแล้ว คำว่าอ่าอันที่จริงแล้วทั้ง 2 <สวย S 1> เล่มเป็นการเขียนเพื่อ เอ่อจริงๆอย่างนี้ก็คืออย่างงี้คืออย่างได้นะวันนี้ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ครับอืมเออๆก็ ก็ไม่ไม่คิดนะเพราะว่าๆแล้วอย่างที่บอกใช่กลับไปก็ชายครับเลยจนเพื่อนๆช่องน้อยสีหลายสีคือบางครั้งเอ่อ อันนี้ไงทําให้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิ้นถาม ชนาเคยเขียนบอกตัวเองว่าชายาญ่าของชนาคือๆซิสาวสวยสาวสวยสาวเสิร์ฟเป็นนางเป็นเกย์สาวเสิร์ฟไม่เคยคิดไม่เคยคิดมั้ยว่าที่คืออยากหา ทำงานดีๆอะไรประมาณนั้นเคยฝันอยากเป็นแอร์จัวหรือเป็นชัวร์สิเนาะเอ่อฝันฝันได้เป็นแอร์ เขาต้องการอะไรบ้างเอ่อเพื่อว่านําประสบการณ์มี ก็ต้องผ่านเอ่อต้องผ่านสถาบันภาษาเหมือนกันเค้าเค้าจะเรทเราว่าสอบผ่านใช่ๆบัสบอยแอสซิสแตนท์เวตเตอร์ จำนวนไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นรุ่นแรกๆของ Princess หมายถึง Princess ที่อยู่แถบเอเชียอ่ะจริงๆแล้ว 17 ลําจะวิ่ง วิ่งเองนะฮะก็คือก็คือใช่ก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะจับเราไปอยู่เรือลําไหนก็เหมือนกับว่าทํา เพื่อนๆบอกว่าสงสัยไปแค่สัปดาห์เดียวแกต้องกลับมาแน่ 9 เดือน 10 เดือนก็อยู่ไม่คําว่าคือครั้ง 9 เดือนเลยใช่แล้วเดี๋ยวๆ <เอา S 2> ก็กินอยู่ข้างในหมดใช่จะต้องอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเหมือนกับไป เออ 12 ปี 12 ปีแล้ว 1999 12 ปีที่คุณติดคุกเลย มีเหมือนกันคือเป็นเป็นคือห้ามได้แม้แต่ใช่มั้ยใช่ก็เคย เข้าไปในห้องแขกเขากดจักรไปอะไรอย่างเงี้ยชอบคํานี้เขาซื้อแล้วเอ่อเราผู้ชายคนที่เราไปกับ มากับน้องสาวแล้วน้องสาวเค้ามาอยู่เค้าก็ไปดูโชว์ไปเล่นคาสิโนไปอะไรอย่างเงี้ยคือในเรือจะมีไดเรือแล้วแบบบนเครื่องเคยมี บินไฟท์สายการบินนำสายการคือ เอ่อเอาอธิบายก่อนที่บนเรือบนเรือว่าเดินเครื่องบินบนเรือก็คือตอน เขาไปก็เริ่มมานัดเจอกันที่นั่นที่นี่ โดยได้เยอะ behind the scene แบบ catwalk เอ่อนางแบบอ่ะเข้าห้องตัวใช่ค่ะแล้วทุกคนก็จะรู้เลยทุกคนจะเรียก คนที่เป็นคนเอ่อพนักงาน 1,200 คนจาก 60 ชาติทั่วโลก 1,200 คนโอ้โห 3,500 คนเรือลํา 4 4,000 กว่าคนไทยจะมีประมาณ 50-60 คน โดยประมาณ 50-60 คนเลยไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จัก 3,500 คนโอ้โหเยอะมาก 3,500 คนผู้โดย 200 คนแล้วห้องห้องนอน 2 คนบางคนก็ 3 คน 2 คน 4 คนบ้างใช้เป็น เหมือนกันโอ้โหมีอะไรต่อไม่ได้ต่างๆเกิดขึ้นที่แบบไม่คาดคิดที่ชอบกันเองมั้ยมีครับคุณพนักงาน เอิ่มเห็นเห็นชาวชาวพวกเธอมากันเยอะมากเมืองไทยคงไม่เหลือสักคนมั้งครับบอกคนคนคน 50 คนเนี่ยเป็นพวกเราหมดเลยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่มีผู้หญิงบ้างมีผู้หญิงอ๋อผู้ชายจริงบ้างอ๋อ 25 คน น่าจะได้ 20 คนอย่างเงี้ยอือฮึก็ๆอีก เฉพาะประกาศอ่าจารึกไว้ก็เยอะอยู่แล้วในจกเเก้กว้างพ้อมคือจะเป็น Talk of แล้วเราต้องไปลงลงเรือดําเดียวกันกับเขา 1, แล<ใช> 1> แลความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างเหรอเออแล้วยังไงต่อครับ เราอยู่ห่างไกลบ้านไกลเมือง โอ๊ยฉันอยากอยู่แล้วฉันอยากกลับคือทําสำเนียง accent เป็นชาตินั้นชาตินี้เพื่อนร่วมงานแบบแต่ละ แล้วมีมีมีถูกส่งกลับๆมีส่งเยอะเหมือนกันต่อยกันคนชาติเดียวกันฆ่ากันตายก็มีคุณพี่อุ้ยคาที่อุ้ยอันนี้เรื่อง เหตุเกิดเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอันนี้นี่คือความลง จะมีโอกาสได้ไปเป็นเอ่อสาวเจ้าสํารานท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ว่า น่าจะเป็นเรือที่ได้ไปท่องเที่ยวแล้วแต่ทางอย่างล่าสุดปีล่าสุด ถ้าถามๆ มีกิจกรรมให้ Day Activity หรือว่า Night Activity บางทีเรือจอดค้างคืนแล้วก็ไปกลางคืนได้ก็จอดกลางวันก็มีกิจกรรม 2 คนก็น่าจะเป็นกิจกรรมได้ พี่อะไรใช่มั้ยแล้วก็แบบ Facebook อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขึ้น คุณมาเจอฉันหน่อยอะไรอ๋อก็ได้ 11 วันนี่คือจะอยู่ทะเลแค่วันเดียวที่เหลือก็จอดเฮลซิงกิ นั่นก็คือ 11 11 วันเนี่ย 11 วันเปลี่ยนประเทศ 10 วัน 1 วันอยู่กลางทะเล เมตีเล่ก็จอดอยู่กับท่าเรือเอ่อแล้วเลยแล้ววันที่เอ่อฟินแลนด์ที่เฮลซิงกิแล้ว 2 วัน 1 คืนที่ เราก็จะเข้าอ่าที่ไหนอีกบ้างต้องต้องเปิดดู 5 นาทีก็ได้ 5 นาทีก็ได้ 10 นาทีก็ได้มีช็อปช็อปอ่าชนาญชอบบอกชอบบอกมีหลายเครื่องนะมีมีมีแอคเซสซอรีหลายอย่าง มภานที่แบบเกลื่อนร่าในกลางป่าประมาณเข้าใจเข้าใจต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังบางคน พวกเอ่ออุปกรณ์ๆพวกตุ๊กตาตุ๊กตาหนังสือซีดีอ่าจะมีและชั้นอีกอ่ะชั้นใต้ดินเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเลยมีแบบเป็นเก้าอี้ อ่าบางบางทีก็ สวรรค์อยู่ที่ไหนอ๋อที่นี่นี่เองอะไร 2 ดอนอย่างเงี้ยหยอดลง 2 คนเราๆเลย ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอยู่กันๆคนนั้นก็ชอบคนนี้เพราะช้าไม่ใช่ช้านะฮะ เขาไม่ได้เก็บไว้เป็นนักร้องอเมริกัน Theater คืออ่าเป็นนักร้องก็จะมีนักร้องมี I learn all the best from you ละกันเออก็ใช้ชีวิต จากคนทั่วไป ต่อให้เป็นแฟนกันบนเรือแต่ก็เดี๋ยวต้องๆก็ต่างกันไปแล้วแล้วคุณชนาคิดว่าจะทําถึงเมื่อ ไม่ได้สอนเรื่องเครื่องเพชรนะครับสอนอะไรเกี่ยวกับเอ่อการท่องเที่ยวการโรงแรมการอุตสาหกรรมเรือ เออเป็นคือแบบคือเรื่องราว ที่แลเหมือนกันแรงที่ว่าผิดเกี่ยวเครื่องบินเนี่ยเออใช่ๆเพราะฉะนั้นมันมันเป็นแล้วๆสิ่งหลายอย่างมารวมรวมบางคนเขียนเล่มนึงใช้ใช้ 2 ชั่วโมงคุณก็ ก็เว็บเป็น 10 วัน 7 วันอะไรประมาณนั้นก็จะโพสต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 3 ละ 3 เราจะๆ ก็อยากถ้ามีโอกาสก็จะเขียนมาเรื่อยๆตอนนี้มีมีมีเยอะมั้ย ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็ถ้ามีโอกาสจริงๆน่าจะชีวิตนางก็ทําเป็น เป็นอาจารย์พุ่มพวงก็เลยแบบคราวนี้ลงเรือแบบคราวที่นี่แต่ๆก็ทําต่อไปได้เรื่อยๆนะพอเขาไม่มีการระบุอายุใช่มั้ยคะอายุ 60 อ๋อคือก็คือเสิร์ฟเหมือนกันใช่เค้าก็เรียกเรา นางแบกนะคะพี่สะกดไม่ผิดค่ะ behind the scene หลังครัวก็หูเดินสับขา เจอคนไทยไปไฮโซทั้งหลายก็จะไปมีเคยๆมีชาติไหนที่ มีคนไทยไปเหมือนกันหู Passenger ที่มาจากประเทศเถินิแสดงๆกันทั้งเปิดวายขดละๆไม่เพราะพวกเรือเขาแพงไงเรือไทยค่าเรือก็แพง ครับแต่เหมือนเฮ้ยคลีนั้นระหว่างห่างเมืองไทยเนี่ยมีแจกไปลงเรืออย่างเงี้ยอ๋อก็ เอ่อเดี๋ยวปรับเสียงมันดังเอ่อเสียงมันเบาไปหน่อยครับต้องเดี๋ยวมาปรับ เอ่อประสบการณ์เนี่ยในที่ไปเที่ยว ต่างชาติต่างอารยธรรมต่างประเพณีแล้วเราจะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมามา ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคือเราไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่มี 4,000 ปีจะมาเขียนข้อความอะไรอย่าง ดาวเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินละกันคือเงินก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าไปไปทํางานใช่มั้ยคือได้ได้งานได้โอกาสได้ โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับยอดมาก oh, ก็เป็นสงครามนางฟ้าได้เหมือนกันนะคุณมีมีแย่งผู้ชายกันนะมีค่ะท้องบนเรือก็มีว่าฉันต้องกลับไปเมืองไทยด่วน เป็นเอ่อผู้หญิงสาวชาวยุโรปครับเธอด้วยความที่เธอรักสนุกไม่ใช่สวยแต่ว่าสวยซุ่มซุ่ม ชีแปรเชือให้กับชายหลายแลหลายชาติหลายหลายคนเลยเกือบ CV เลยใช่แล้วคือก่อนที่จริงๆแล้วพนักงาน 2 ปีครั้งอะไรประมาณนั้น หายไปครึ่งนึงพอเธอจริงๆก็ได้ได้ไอ้กระดาษก็ไม่ทาย ประทับใจชาติชาติไหนแล้วก็คิดๆแต่ว่าตอบยากมากเพราะคือจริง ไปทดลองอาหารพื้นเมืองของเขาใช่เอออืมชายชัตตยโรดม ตอบขอตอบว่าเป็นหนุ่มกรีซละกันกึ่งอะไรประมาณนั้นคือ 100% แล้วก็ไม่ใช่ฝรั่ง 100% เหมือนเหมือนในหนังเอ่อ Gladiator แต่แต่นั่นนั่นคือเหตุผลส่วนบุคคลอ๋ออาจจะมีหลายประเทศ พูดได้เยอะค่อนข้างจะพูดได้เยอะในในในแหล่งนักท่อง 3 4 คนก็มี เป็นสถานที่ที่บอกว่าชายหาดที่เปลือย เฉยๆนู่นเดินไปเดินมาไม่เจ๊ไม่มีนะฮะคือโอเคนะเป็นแหล่งของชาวซิรุจะสังเกตได้จากสีของ ขนาดใหญ่ที่สุดตื่นเต้นใหญ่ <s học> 50 เลยไม่เรียนดีชั้นจะกล้าถามค่ะเลยเป็นก็เกิดอาการเมาด้วยเหมือนกันที่แบบเลยสามารถได้ตรงนี้อะไร คำถามง่ายๆแต่ตอบยากนะอีกแล้ว ต่างคนต่างอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เห็นโอ้คนใหญ่ได้ขนาดนี้ คุณหนอกตั้งใจตั้งใจมากๆมากกว่าๆน้องๆมากเออนั่น อย่าลืมนะ 2 เรื่อง 2 เล่มไม่ 2 เรื่องครบใช่ก็จะมีเล่มแรกนะ ตอนนั้นเป็นท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาธรท่านส่งข้อความมาให้กําลังใจบอก ช่วยเหลือขอให้ชาวเกมีเมตราต่อกันตลอดไปแลกันขอให้ชาวเกมีอ่าท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทอนเพราะว่าอ่าได้ นะครับโง่เลยไปเป็นแฮปปี้ดีฟรอม สรุปได้ดีนะครับดีมากเลยจริงๆไม่ 1 เดือนล่วงหน้ามิฉะนั้นชั้นจะถามนี้แต่ชนะบอกไม่เป็นไรเราสดๆเลย<พ> 1 นาทีที่ผ่านมานี่ ถึงว่าจะกี่ปีกี่คนรู้ว่าเป้าหมายของเรานะครับว่าจะว่าจะว่าว่าจะกี่ปีกี่ ชาน่ารนาหรือว่า Facebook ก็จะออกมาจะออกมา www.thechana.bloggang.com ก็จะเห็นเป็นเป็นเว็บใช่ซึ่งไม่ Facebook ใช่มั้ยมี มี Facebook อ่ะเนาะเพราะชื่อของปาร์คอื่นจะอาจจะชื่อ อ่าให้เอาส่งคุณชานาไปพัดพ่อนะครับขอบคุณมากมารายการด้วยขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมบ้านค่ะอย่าลืม